คนเราเนี่ยอยุเก้าสิบส่วนใหญ่ก็ต้องพักผ่อนอยู่ที่บ้านบางคนก็อาจจะถึงกับนอนติดเตียงไม่ว่าจะเป็นที่บ้านบางพักคนชราหรือโรงพยบาบาลแต่ว่าสำหรับคุณยายจอยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเมื่อสักไม่เกี่ยอชทิตย์มาเนี่ยก็มีข่าวนะว่า คุณยายคนหนึ่งเนี่ยอายุ9กาสิบสามปีนะชื่อจอยเนี่ ย, ยแกสามารถที่จะเรพิชิตก็ได้นะอุทยานแห่งชาติทั้งหมดในอเมริกาได้ในอเมริกานี่มีอาแห่งชาติที่มีชื่อเสียงนะประมาณ63แห่งสวยๆทั้งนั้นแล้วคุณยายจอยนี่ก็บอกว่าได้ไปเยือน ได้ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติทั้งหมดครบทวนแล้วนะที่สุดท้ายเนี่ยนะคือหมู่เกาะซามเมานะ์อุทยานซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซ i ฟิกทะเลใต้นะซาว์ทแ i ซิฟิกไกลาจากแผ่นดินใหญ่ประมาณหลายพันกิโลเมตรก็ไม่ได้ไปง่ายๆนะ ก็เรียกว่าน่าทึ่งนะคนอายุ93เนี่ยสามารถที่จะท่องเที่ยวไปตามบุทยานต่างๆซึ่งมันก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องง่ายนะเพราะว่าหลายแห่งที่แกไปนี่แกก็ไปนอนเต็นท์หลายแห่งมันก็ต้องใช้ความสมบุกสมบัน ไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วก็ไปนอนรีสอร์ทไปนอนโรงแรมในอุทยานไม่ใช่คุณยายจอยนี่แกก็ตั้งใจไปเที่ยวเมื่อคนหนุ่มสาวนี่แหละถ้าต้องปีนเขาไปถึงยอดเพื่อชมวิวชทัศนะแกก็เอานะแล้วก็ที่น่าทึ่งก็คือว่าตั้งแต่เกิดมาจนอายุ80กว่านี่แกไม่เคยเห็นภูเขาเลย แล้ไม่เคยนอนเต้นเลยนะอยู่สบายตลอดเหมือนคนอเมริกันที่พอมีฐานะไม่เคยเที่ยวไม่เคยไปเห็นธรรมชาติอย่างที่แกบอกนะภูเขาไม่เคยเห็นเลยนอนเต้นก็ไม่เคยนอนแต่นอนฟูกแต่แกเกิดความคิดนาะที่อยากจะไปเที่ยวอุทยานเนี่ยต่อยุ85ปดสิงห้ืนือ เจ็ดปีที่แล้วคนที่ชวนไปคือหลานหลานชายอายุสี่สิบกว่าซึ่งก็เป็นคนพายายเนี่ยตลอตลอนไปตามอุทยานต่างๆเนี่ยตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมาจนครบเลยนะให้การที่คนชราเนี่ยวัยก้าสิบเนี่ยนะมีเรี่ยวมีแรงนี่สามารถที่จะ ไปเที่ยวตามที่ต่างๆซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าสะดวกสบายเพราะไม่ได้ไปโรงแรมไม่ได้ไปรีสอร์ทนะแต่ไปอุทยานนะสัมผัสธรรมชาตินอนเต้นปีนเขาวทรลกิง้งตามป่าเนี่มนยมันน่าใกำลังใจมากนะจริงๆแล้วนี่เรียกว่าสังขารร่างกายนี่ไม่สาคัญเท่ากับจิตใจนะพอใจเนี่ยมุ่งมั่นนะ ร่างกายก็ไหวอยู่แกเล่านะตอนที่ไปครั้งแรกเลยนะอุทยานแห่งชาติแห่งแรกเนะี่ยที่ไปเนี่ยในชีวิตเนี่ยผมต้องขึ้นเขานะเนียระยะทางนะก็สามกิโลได้นะกว่าจะถึงเขาเนี่ยถึงยอดเขาเนี่ยโอ้เหนื่อยมากนะแต่ว่าใจสู้นะ ก็ประคองตัวเองเนี่ยจนงกระทั่ไปถึงยอดอว่าหนุ่มสาวที่ที่อยู่บนยอดเนี่ยโอ้เห็นคุณยายวัย้นี่ขึ้นมาถึงนี่โอ้เชียร์สนันเลยอันนี้เป็นเรื่องของใจโดยแท้นะแต่ที่จริงเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีหลานเนี่ยชวนด้วยไม่ได้ เที่ยวคนเดียวนะเพราะมีหลานชายและเดิมเนี่ยสคนนี้ก็เรียกว่าอาการแย่ทั้งคู่นะตัวหลานชายเนี่ยวัยสากว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อ7ปีที่แล้วนี่ก็สุขภาพจิตก็ไม่ค่อยดีใกล้จะเป็นโรคซึมเศร้าเห็นเพื่อนฆ่าตัวตายก็กลัวนะตัวองเงี้ยเป็นอย่างงั้นบ้างส่วนคุณยายจอยนี่ก็พร้อม เนะบื่อเซ็งชีวิตนะธรรมดาคนคนแก่ในอเมริกาแล้วเดี๋ยวนี้ก็คงลงในเมืองไทยด้วยเหงานะสามีก็ตายไปแล้วลูกก็แยกไปอยู่ที่อื่นหลานก็โตหมดเหงาก็เบื่อสุขภาพก็ย่ำแย่พร้อมเลยอันนี้เลยเป็นเหตุให้หลานนี่ชวนยายเนี่ยนะไปเที่ยวกัน อย่างน้อก็เปลี่ยนจากชีวิตที่มันจำเจพอไปอุทยานไปเจอธรรมชาติก็ค่อยๆรู้สึกดีขึ้นนะจิตใจก็ค่อยๆ ค, คลายจากความหดหู่นะฝ่ายฝ่ายผู้ชายฝ่ายร้านชายส่วนคุณยายนี่แกก็เริ่มมีชีวิตชีวามีกระพี้ความกระพี้กระเป่ามากขึ้นแล้วก็เริ่มมีเรี่ยวมีแรงนะเพราะว่าไอการที่ต้อง ทำร่างกายให้มันสมบุกให้มันแข็งแรงเพื่อเผชิญความสมบูสมบันปีนเขาอยู่เรื่อยๆเดินอยู่ไว้เรื่อยๆร่างกายแข็งแรงอย่างที่บอกนะกำลังใจเนี่ยสำคัญพอได้เห็นธรรมชาติและจิตใจมันชื่นบานมันก็เกิดเรื่อเกิดแรงที่จ ะ, ะไปชื่นชมสัมผัสธรรมชาติตามที่ต่างๆไม่ว่จะเป็นน้ําตกภูเขาเกาะแก่งทะเล นะหรือว่าป่าดิบนะป่ารกุทงช่ายริกามีหลายแบบธรรมชาติทำให้รรใจนี่มันสดชื่นและพอได้เดินเหินก็มีเรื่องมีแรงแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณยายเนี่ยวัยการสกว่านี่แกมีชีวิตชีวาได้อีกเหตพผลนึงก็คือว่ามีเป้านะมีจุดมุ่งหมายในชีวิต คนเราเนี่ยถ้าไม่มีจุดหมายในชีวิตนะหรือไม่มีเป้าที่พิชิตนะบางทีไม่รู้อยู่ไปทำไมโดยเฉพาะคนที่อายุมา ก, กเกษียณแล้วไม่มีงานการลูกก็โตแล้วหลานก็โตแล้วหลายคนเคว้งยิ่งสามีตายบางทีก็เกิดความสงสัยอยู่ไปทำไมแต่พอมีแผนการว่าเนี่ยเราจะต้องไปเที่ยวอุทยาน ทั้งหมดที่มีอยู่ให้ครบเนี่ยมันก็กลายเ ป, เป็นเป้าของชีวิตได้นะเป็นเป้าหมายที่ทำให้อย่างน้อยก็รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่เพื่อที่จะไปนะอุทิยานแห่งหน้าและพิชิตให้สาเร็จในการที่คนรเรามีเป้าที่จะพิชิตหรือมีจุดหมายที่บรรลุมันทำให้เกิดจุดมุ่งหมายในชีวิต ก็จะไม่มีกำลังใจนะคุณยายนีแกก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกห่อเหี่ยวเหมือนคนแก่ทั่วๆไปแต่ละวันแต่ละวันนี่มันมีความหมายอย่างน้อยก็มีอะไรให้ทำคือการวางแผนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็ต้องเตรียมฟิตซ้อมร่างกายให้มันพอสำหรับการไปถึงเป้าหมายหรือทำเป้าหมายให้สำเร็จนะ นนคนเราเนี่ยถ้าหกว่าวันวั น, นึงเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมเนี่ยมันก็เพราะไม่มีเป้าหมายในชีวิตโดยเพราะคนที่กเกษียณแล้วหรือคนที่บรรลุจุดมุ่งหมายในชีวิตครบหมดแล้วก็ดูมันโชคดีนะจุดหมายในชีวิตที่ต้องการบรรลุนี่ทําสําเร็จแล้วแต่สับหลายคนนี่มันกลายเป็นปัญหานะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อก็เลยไม่รู้จะอยู่ไปทําไม แต่อันนีค้คุณยายนี่แกมีเป้าหมายที่จะต้องทำตลอดเวลาแล้วก็ทำมาตลอดเจ็ดปีนะจนครบสำเร็จแต่คราวนี้ก็อาจจะมีปัญหานะว่าพอพิชิตอุทยานทั้งหมดทั่วประเทศแล้วนี่แล้วยังไงต่อถ้าไม่มีอะไรทำเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่ปัญหาคือไม่เลือกอยู่ไปทำไมอันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะ เป้าหมายที่เราต้องการพิชิตหรือต้องการบรรลุเนี่ยมันก็ดีนะทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะอยู่ในการที่จะทํานั่นทนํานี่แต่พอบรรลุแล้วนี่อาจจะรู้สึกเควง้งรู้สึกคว้างขึ้นมาก็ได้ถ้าไม่รู้จักนะหาเป้าหมายในใจของเราเนะีเป้าหมายที่สําคัญในใจของเราเนี่ยมันดีกว่าเป้าหมายที่พิชิตข้างนอกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้อง ก็ต้องระวังเอาไว้นะว่าถึงแม้วันนี้มีเป้าหมายที่จะบรรลุมีจุดหมายที่จะพิชิตแต่ก็ลองถามตัวเองว่าเนี่ยถ้าพิชิตสำเร็จบรรลุหมดแล้วนี่แล้วยังไงต่อนะบางคนก็เคว้งขึ้นมาทันทีเลยอันนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีเป้าหมายที่เรียกว่าบันี้ลึกซึ้งซึงจะเป็นชาวพูดนี่เราเป้าหมายคือการ พัฒนาจิตนะให้เกิดปัญญาส่วนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็สามารถที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้อื่นอย่างที่ท่านจารย์บุษ t h ใช้คำว่าสงบเย็นเป็นประโยชนนะ์อันนี้เป็นเป้าหมายที่มันไม่ใช่บรรลุง่ายๆต้องใช้ทั้งชีวิตสงบแลสงบเย็นแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นประโยชน์นะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถจะทาได้นะไม่จบสิ้นนะ แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทำให้เครียดเพราะทำเท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้ารู้จักสงบเย็นอย่างแท้จริง